แคสตัว น, นี้กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของชายหนุ่มที่ขึ้นเลยตั้งปักธงเลยว่า 1. หล่หอ 2. เคยไปเรียนอยู่ที่ออกซฟอร์ดแล้วได้เป็นประธานชมรมโตวาทีจนใช้ตำแหน่งนี้ได้ไปพูดคุยกับคนดังระดับโลกหลายคนมา ล, าลาแบบนี้หรือว่าแคสจากเกมออฟดรอเนเขาก็ได้สัมภาษณ์ด้วยดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขากันเขาก็คือไอติมพ ร, ริวัชรศิลป์นั่นเองนะคะไหนจะเคยมีแฟนเป็นดารา ไหนจะหล่อเบอร์นี้ไหนอาจะเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วตัวเองก็กำลังจะเป็นนักการเมืองเลือดใหม่ของประเทศไทยด้วยไปทำความรู้จักกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแจ้นั่งอยู่กับไอ้ติมพริสนะคะอยู่กับเราคือวันก่อนแจ้ก็ไปนั่งดู u t u b e นั่นแหละดูไปดูมาแล้วก็แบบเฮ้ย อยากรู้จักกับเขาอีกมากขึ้นก็เลยอินบล็อกเข้าไปแล้วก็รับปากง่ายมากอย่างนี้ใครๆก็เข้าไปขอแบบขอสังพลาด <laughs> ได้ไหมคะได้อย่าง้ใช่ไหมคะก็ <g år> ผมเปิดอล้วครับเพิ่งช่วงนี้ได้พักอพอดีเพราะว่าเพิ่งฝึกฐานใหม่เร็จแล้วต้องกลับเข้าไปอีกปะะเดี๋ยววันเสาร์กลับเข้าไป <c oughs> เป็นคนที่เลือกที่จะเข้าไปสมัร อาหารเองคนจริงคจริงไม่ได้อยากเป็นอาหารนะแต่ว่าผมผมมีทางเลือกแค่2ทางคือสมัครไปเลยหรือจับใบดาไปแดงอก็เลยรู้สึกว่าเอาทางที่มันแบบตั้งคาถามน้อยสุดโปร่งใสสุดชัดเจนสุดเออเพราะรู้อยู่ว่าถ้าผมจับสมมติผมจับผมได้ใบดาคนก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งคนไม่คิดว่าผมโชคดีเออ่ก็เลยสมัครเลยสมัครเลยจบจบไปนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ไอ้ติมถามว่าพี่ตั้งไปว่าอะไรใช่ครับขออธิบายกันตรงนี้ ต่างก็คือต่างๆย่อมาจากต่างๆในสมัยก่อนเราก็จะบอกว่าก็เป็นคนที่ต่างๆนิดนึงแหละมันก็แปลได้หลายอย่างแล้วแต่โทนเสียงเราแต่ว่าเฮ้ยแกต่างๆมากคือใช้ได้ใช้ได้กับทุกความหมายใช้ได้กับทุกความหมายพอต่างๆไปต่างๆมาก็เหลือต่างคําเดียวถ้าต่างคําเดียวก็คือเป็นคนที่ที่ดีที่แบบที่พิเศษที่ไม่ทั่วๆซึ่งทั่วทับอกว่าทั่วไปมันจะแตกต่างตๆแสดงว่าเราชอบความแตกต่าง อ, อไม่ใช่ทุกคนชอบความแตกต่างเนียใช่เราก็จะบอกว่าต่างเพราะว่าไม่ทั่วทั่วเพราะว่าไม่ต่างโอเคไหผมฝึกฝึกทหารมาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าความแตกต่างเป็นอะไรที่ดีหรือเปล่าเออดีไหมลนะ่ะก็ถ้าเราต่างแล้วเราเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ก็เวลาปฏิบัติอะไรแน่นอนทหารก็ต้องการระเบียบวินยัยทุกคนปฏิบัติเหมือนกันอืมแต่ทราบมาว่าเพราะว่าเมื่อกี้แจ้บอกไอติมว่าคนดูแจ้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่าลูกสาวไอติมก็บอกในในทหาร น, นี้ก็มีลูกสาวมีครับมี ข อ, อผมกองร้อยกองร้อยผมมี7จ็ดคนออก็มีคนหนึ่งที่ที่ก็เป็นลูกสาวเอ อ, เ อ, อแล้วตามมาว่ามีจุดที่แบบลูกสาวมามาตั้งกับไอติมอ๋อเอ อ, อเคือมาตั้งยังไงคือผมผมจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าในในในค่ายทหารเนี่ยจะชอบมีกันใช้คำว่าตุดเยอะออแล้วจะใช้ในเชิงที่ว่าอ่ะสมมติว่า มีคนหนึ่งทําผิดเออแล้วไม่รู้ว่าใครครูครูฝึกนี่นก็จะลงโทษหมู่แหละแล้วก็คนนั้นก็จะไม่ยอมรับอทีนี้ก็จะมีชอบเพื่อนชอบตะโกนขึ้นมาว่าเอ้ยแบบตุ๊ดมากเลยว่ะทําไมไม่ยอมรับแบบแย่มากเลยตุ๊ดมากเลย<อ>สภาพหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากไปแล้วผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวนะคือแบบ จะชอบผู้ชายชอบผู้หญิงมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีศักดิ์ศรีพอยอมรับหรือเปล่าออผมก็พูดไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยมีมีน้องคนนี้เขาเข้ามาความจริงผมไม่ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้สนิทของขนาดนั้นคุยก็คุยเมืนเหมือนเพื่อนธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทกันมากเขาเข้าม า, ข, า ข, อ ข, อขอบคุณมานะพี่พี่พูดอย่างันผมก็เลยเออรู้สึกรู้สึกดีนี่ไงเข้ามาต่างเข้ามาต่างกับไอ้ติมแล้วล่ะนะคะ แชร์วนออกไปนะคะเอาอย่างนี้ก่อนที่จะเริ่มคุยกับไอ้จริงจังแนะนํำก่อนแต่ว่าแนะนําเป็นในลักษณะที่ว่าอะไรที่ควรรู้เดี๋ยวจะบอกให้รู้เพราะว่ า, เ, าเราก็รู้จากสื่ออื่นๆแล้วแหละแตาเปันว่าอะไรผิดให้บอกบอะไรอยากเพิ่มเสริมได้เลยนะคะเ <c oughs> ส้นทางปุ๊บเก้าขวบไปเป็นแลกเปลี่ยนที่อังกฤษครับครับใช่พอเป็แลกเปลี่ยนที่อังกฤษปุ๊บอายุ13บสามได้คิงสโคลเรชิไปโรงเรียนอีตันซึ่ง <c oughs> <ม>เป็นโรงเรียนเดียวกับพรินซ์วิลเลียมแล้วก็พรินซ์แฮร์รี ะะซึ่งจริงๆแล้วอีตันเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ อ, อ, อดีตนายกเดวิดแคมรอนก็จบมาจากที่นั่นแล้วก็ยังมีนักแสดงดารายกตัวอย่างเช่นแบ็กกริลส์แบ็กกริลก็จบมาจากอีตันเหมือนกันทราบมาว่าแบ็กกริลสลดผลตั้งแต่ในยุคที่เขาอยู่ใช่เพื่อนครูภูมิสาสรผมเนี่ยเคยเป็นครูเขาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังมั้งอ้หูแบบวีรกรรมเยอะมากแบ็กกริลส์คือไปปีนตึกปีนอะไรตอนดึกๆตลอดเหนียวมาจากหอตลอด มาวันนี้ก็เลยมาทำรายการแบบ survival เข้าปากเข้าเขานะคะถึงแม้เขาจะ survival แค่ไหนเขาก็ยังบอกว่าประสบการณ์ที่อีตันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากในการที่จะหาตัวตนของตัวเอง to find เขาบอกว่า struggle to find his identity while at school คงอึดอัดนะครับคือถ้าผมผมเป็นคนโลดผลชอบไปเที่ยวป่าอะไรขนาดนั้ น, นม<า>ันใช่ครับแล้วมันถูกล็อกในโรงเรียนประจําเนี่ยมผมว่ามันมันก็คงอึดอัดอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าคนที่กําลังจะยกมาให้ฟังเนี่ยแต่ละคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วสมใน5เนี่ยบอกว่าอึดอัดมากตอนที่มีตันแต่เรานั่งคุยกับประธานนักเรียนไงฉันก็เลยอยากรู้ว่ารอดมายังไงอ๋อผมเป็นประธานนักเรียนที่มหาลัยครับ ออกสอใช่ใช่ออกอบแต่ที่กี่ตันแต่ตอนนั้นก็เป็นเป็นเป็นเป็นหัวหน้าบ้านเนี่มันมันจะมีกริฟฟินดอร์เซตเลินอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าบ้านผมรอดมาได้เพราะอย่างเดียวฟุตบอลนะรอก็คือโดดเด่นในด้านกีฬาไม่โดดเด่นครับแต่แค่คือข้อดีของการอยู่โรงเรียนประจำชายร้วนั่คือหแบบคือหลายคนคนชอบเล่นกีฬาเยอะมากแต่ผมเป็นคนชอบเล่นกีฬามากว่างๆเนี่ยผมก็เตะบอลอย่างช่วงที่อังกฤษช่วงซัมเมอร์มันก็จะมันก็จะสว่างถึงสี่ทุ่มผมเตะบอลถึงสี่ทุ่เนเตะกับเพื่อน <ừ> แต่จนแบบว่าจนมืดจริงๆเขาก็ต้อเข้ามานั่นผมอยู่ได้เนี่ยเพราะเพราะขีระแล้วก็ความที่อยู่เรียนชัยล้วนแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบมีความทหารนิดๆนะอิตเออเ า, เ, เ, าเหมือ น, น, นตรง<ด>นะที่ว่ามีแต่ผู้ชายแล้วก็เหมือนตรงที่ว่าอาจจะมีกฎระเบียบแต่ไม่เหมือนตรงที่ว่าความจริงโรงเรียนอิตาเนี่ยเขาเขาให้ความสำคัญกับความแตกต่างเความหลากหลายมากก็คือว่าใครอยากทําอะไร คือนอกนอกหนือห้องเรียนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการเรียนนอกห้องเรียนมากถึงได้เห็นว่ามีสิทธิ์เก่าที่เป็นนักเรแดงเยอะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เริ่มแสดงที่อีตาสอีกอย่างเขาให้เด็กคิดวิเคราะห์ตลอดทําอะไรเนี่ยตั้งคําถามไปตลอดว่าทำไมทําไมทำไมเวลาห้องเรียนเนี่ยถูกจะคึกคักมากก็มีแต่เด็กกับครูเนี่ยแลกเปลีนควเห็นกันซึ่งอันนี้ก็จะไม่อาจจะไม่เหมือนทหาที่แตกต่างเพราทหารคือสั่งทําำขันก็บอกขันก็ขันสิอย่างนี้ปะมาทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงแบกเกอร์แล ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบว่าฟิกเกอร์ในทีวีที่เราเห็นบ่อยๆทํารายการแบรดทิวขนาดทับขนาดนั้นก็ยังบอกว่ารู้สึกว่าไม่ง่ายกับการผ่านอีตันมาคนต่อไปคือทอมฮิดดดสตันทอมฮิดดดสตันเนี่ยเขาเล่นเรื่องทออืมเป็นตัวอะไรใช่แล้วเขาก็บอกว่าตอนที่ไปโรงเรียนเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆเรียกเขาว่าเป็นกีแล้วก็ไม่มีแฟนเออคนมีแฟนเยอะเหรอเพราะว่ามันเป็นผู้ชายกันหมดเลยนะเออเป็นกีสคือส่วนมากจะหาว่าเป็นเด็กแบบเด็กเนิร์ดใช่ออ่า ถ้างั้นผมก็คงเป็นเหมือนกันนะเนอะด้วยเพราะผมผมเป็นนักเรียนทุนแล้วคือที่มันแปลกมากคือที่อิต้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดยีสิบห้าบ้านยี่สิบสี่ในยี่สบห้าบ้านเนี่ยคือเข้ามาผ่านระบบปกติก็คือจ่ายค่าเทอมสอบปกติมันจะมีบ้านหนึ่งที่เขาเอานักเรียนทุนมารวมกันแล้วเหมือนกับเขาก็ต้องให้ใส่เครื่องแบบพิเศษซึ่งผมก็ไม่ได้อยากใส่มากนะความห่วกะทิมีความแย่ไหมกะทิคือผมไม่ไม่ชอบเลยเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็จโดนล้อตลอดวอนแรกที่เข้าไปเนี่ยเขาให้ใส่กาวใส่กาวทับก็จะโดน เ, เพื่อนร้องมตลอดแล้โอ๊ยเป็นเนิร์ดเป็นคิกกอะไรเงีย้ยคือทั้งบ้านผมโดนโอเคโอคอยากรู้ว่าวิธีการคัดเข้าอิตาเนียเขาคัดยังไงคือมันมีสแบ บ, แบบแบบแรกคือถ้าเข้าปกติก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนตั้งแต่เด็กไปสอบตอนน่าจะ11บเอ็วบรอบหนึงถ้าคะแนนสูงพอก็ไปสอบตอน13บสามถ้าคะแนนสูงพอก็เข้าแต่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบอังกฤษเลยก็เลยมีวิธีเดียวก็คือต้องสอบชิงทุนคือโรงเรียนอิตาเนีย ใช่บินไปสอบซึ่งค h งสกอตชิปในความจริงหลายคนเขา้าใจผิดนึกว่า k i n งหมายถึงทุนคิงไทยแต่ i n งที่พูดถึงนี่คือ k i ง g Henry ที่6ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งในอิตันซึ่ตอตอนแรกเนี่ยเขาสร้างโรงเรียนขึ้นมานเพื่อ ม, มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในเด็กในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาส ก็ตอนนั้นบินไปสอบอาทิตย์นึงเต็มๆข้อสอบนี่หูผมไม่คิดว่าผมได้เนี่ยคือสิ่งที่อยากรู้ว่าข้อสอบมันเป็นยังไงมันเป็นช ice หรือมันเป็นลักษณะไหนไม่มีช้อยนะแถบ้านเราย่างงคือเขาจะมีหลายวิชามันก็จะมามีวิชาแบบวิชาสามัญมีเลขภ า, าษาอังกฤษประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสอะไรซึ่งอันนี้ผมตกเกือบหมดเพราะว่าหรือว่าคะแนนไม่ได้สูงมากเกือบหมดเพราะว่าหลักสูตรมันไม่เหมือนกัน ภาษาอังกฤษผมยังไม่ดีเลยอะว่าแต่ว่าสอบวิชาภาษาอังกฤษแต่ก่อนที่ไปนั้นก็เรียนสายทิจุฬานะเรียนสายทิจุฬาถึงป .3 แล้วก็เรียนอินเตอร์อีกสองสามปีครับก็มีพื้นฐานดีบ้างแต่ที่มันน่าสนใจคือว่าข้อสอบมันจะมีเพเปอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาเลยคือเขาเรียกว่า general paper คำถามมันก็จะกว้างมากอาจจะมีอาจจะมีคําถามประมาณว่าเขาจะยกตัวอย่างมาว่าเออกฎหมายนี่คือสอบเด็กอายุสิบสากฎหมายบอกว่าการขโมยของแปลว่าอย่างนี้ คือทางกฎหมายเขาบัญญัติไปอย่างนี้แล้วเขาก็เยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเออเกิดสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลืมร่มไว้ในร้านอาหารกลับเข้าไปแล้วนันไปหยิบไปหยิบร่มของคนอื่นมามก็คือการขโมยแต่ว่าดันเป็นว่าร่มอันนั้นน่ะเป็นร่มของภรรยาที่ทิ้งไว้เมื่อครัที่แล้วออันนี้ถือว่าขโมยไหมให้ลองคิดว่าถ้าเกิดคุณเป็นทนายป้องกันเขาเลยสาคุณจะเขียนว่าคุณจะพูดว่าอะไรอ มันก็เป็นเหมือนกับฝึกให้เด็กวัดทัศนคติใช่ครับแต่มันยากมากสำหรับตอนนั้นมันยากมากเพราะผมภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดีนอกจากนั้นชื่ออะไรนะเรดดี้อะไรนะเรดเขาอ่านว่าอะไรเอ die Red m a n e d d i e Redman ซึ่งแสดงเรื่องแ a น t าสติกบีสเป็นฮอลลีวูดเป็นดาราฮอลลีวูดชอบมากก็ไปโรงเรียนนี้เหมือนกัน e อ d i e r e เ m a แมนี่ผมชอบมากเป็นคนที่มีความสามารถมากคาจริงเรื่องที่ผมชอบ เขามากคือเรื่อง theory of everything ที่เขาเล่นเป็น s t ซีมันฮอก k i n g แต่เรื่องที่เขาดังสุดที่ได้รางวัลน่ยน่าจะเป็นเดนิชเกิลใช่เขาเล่นเป็นผู้หญิงจริงผมเลยคาดเดาว่าเนี่ยเพราะว่าตอนที่อยู่โรงเรียนอิตาเนียมันชายล้วนแต่มันก็มีละครเวทีแล้วบททุก บ, บทไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ชายเล่นผ ม, ผมเลยคิดว่ า, า, ผ, มวาผมเลยคิดว่าเขาน่าจะฝึกมาตอนนั้นใช่เพราะเรื่องนี้นดีจริงๆ Danish ิชเกดีจริงๆนะคะอ่ะอีกคนนึงเดเ e ียนลีวิสคนนี้เล่นเรื่อง Homeland อ๋อคนที่เขาคาดเดาว่าอาจจะเป็น James Bon ลคนต่อไป อ่าใช่แล้วอันเนี้ยเขาพูดถึงอีตันว่า he found it a very violent experience เลยนะจ๊ะรุนแรงครับรุนแรงเลยนะอีตั้น่ะดูยคื อ, อพอเอาผู้เด็กผู้ชายหลายร้อยคนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมผมว่ามันมันมีการแกล้งกันเยอะอย่างอีตั้นก็มีปัญหาเรื่องบูล l y i n g ก็คือการการโดนแกล้งโดนไหมคะในทนันตแพทอเชีผมไม่โดนนะ หรือว่าผมซ่อนตัวเก่งผมไม่รู้แต่ผมไม่ผมไม่โดนแต่มันก็ปรับไปทำตามยุคสมัยด้วยแหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือบ้านผมเป็นเด็กเรียนมารวมกันกนะ็อาจจะเป็นเหมือนเด็กเด็กมาอยู่ด้วยกันกนะ็ เ, <อ>เลยอาจจะไม่มี ปลอดภยัยอ่ะมี <c oughs> เดมียแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะจริงๆ ท, ที่จบมาจากอีตันแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นดาราเยอะเป็นนักการเมืองเยอะพอจบจากอีตันปุ๊บก็ไปออกซฟอร์ดเลือกคณะปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นป ร, ริญญาตรีควบป ร, ริญญาโทใครอยากเข้าใจว่าป ร, ริญญาตรีควบป ร, ริญญาโทคืออะไรไปฟังพอดแคสต์อ๋อใช่ไม่ให้อธิบายแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ที่อยู่ก็เป็น president of Oxford Union ซึ่งคือประธานนักเรียนเออใช่ใช่และไม่ใช่คือ Oxford มันมีสมาคมที่เป็นเรียกว่าสมาคมนักเรียนใน2ตัว อ, อันนึงก็คือสมาคมนักเรียนเรียกว่า Oxford University Student Union ซึ่งคืออาจจะคล้ายๆกับสมาคมนักเรียนที่เราที่เราเข้าใจแหละคือดูแลเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆแล้ก็มีความเชื่อมโยงกับมหาลัย Oxford Union เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสมาคมที่จัดตั้งที่สมัยก่อ น, นเป็นชมรมโตว่าทีมันถูกตั้งขึ้นมา200ปีที่แล้วเพราะว่ามันเชื่อเขาเชื่อเรื่องเสรีภาพในกานพูด คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราถกเถียงประเด็นการเมืองไม่ได้ถกเถียงแล้โดนจับมีเซ็นเซอร์อก็เลยเปิดพื้นที่นักเรียนมาสามารถแลกเปลี่ยนควาเห็นกับกับนักการเมืองได้แล้วมันก็เลยเติบโตขึ้นมากลายเป็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่ส์ที่เชิญบุริยกรระดับผู้นําโลกมามไม่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอตอนนี้ผมอยู่ก็มีมาลาลาจากปากีสถานนะฮะก็มาแล้วก็ข้อแม่อย่างเดียวคือว่าคุณมาแล้วคุณต้องคุณต้องฟังทุคุณต้องตอบทุกคําถามคือห้ามห้ามมาแล้วขอว่าเออไม่มีคิวไม่มีคิวเอ็นเอนะห้ามา้วอป่ตง ซึ่งผมเจรจาหนักมากกับประธานฟีฟ่าตอนนั้นคือเซปดัคเธอเพราะเขามีปัญหาเรื่องเรื่องผู้สูตเรื่องดูถูกผู้หญิงเขามาเขาบอกขอไม่มีคําถามได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้คือเป็นข้อแม้จริงไอ้ที่สุดก็ถามแล้วก็เขาเนี่ยบังคับให้ผมผมลุกเล่นนิดนึงแหละเขาบังคับให้ผมเขียนคำถามไปก่อนผมก็เขียนคำถามกว้างประมาณว่าคุณคิดยังไงกับความโปร่งใสในฟีฟ่าคุณคิดยังไงกับฟุตบอลหญิงแต่พอผมถามจริงเนี่ยผมผมเท้ามาก่อนท้าความมาก่อนว่าคุณเคยพูดประโยคนี้ตื่นเต้น ดูถูกผู้หญิงแบบ น, นี้คุณคิดยังไงกับฟุตบอ ล, ลหญิงก็เข า, า ก, ขก็เลี่ยงอะ่ะคือเขาโดนควจริงเขาโดนน้าข่าวถามเยอะแล้วเขาก็เลยเลี่ยงเก่งแล้วครับใช่ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่ทงที่เอกลักษณ์ของออสเตรเลียคือมันเป็นประชาธิปไตยก็คือว่าทุกตำแหน่งในในคณะกรรมคณะบริหารเนี่ยมาจากการเลือกตั้งหมดผมตอนนั้นก็ลงเลือกตั้งไปทำยังไงให้แบบว่าฝรั่งยกมือโหวตให้เราทุกคนก็ผมก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นคนคนไทยหรือคนเอเชียหรือคนฝรั่งคือความจริงทีมเลือกตั้งผมที่ผมสร้างขึ้นมาตอนนั้นก็มีหลากหลายหลากหลาาาายยชตินนนะะอื่่่รรงผมวจเเป็บาย ตอนที่ผมลงเป็นประธานเนี่ยนโยบายที่เขาถกเถียงกันมากเนี่ยคือเรื่องการใช้เทคโนโลยี YouTube ใช้ภาษายูทูบเพราะว่ารายได้ของ Oxford Union เนี่ยมันหล้านปอนด์ต่อปีไม่ไม่ได้กําไรนะทุกอย่างคือมันค่าใช้จ่ายมันสูงห0าล้านบาทห้ล้านบาทประมาณ 70% ของรายได้นะมันมาจากค่าสมาชิกคือนักศึกษาเข้ามาเนี่ยต้องตัดสินใจว่าอยากเป็นสมาชิกยูเนียไหมถ้าเป็นก็จะได้ไปเวลาประธานที่พดีมาก็ได้ไปฟังซึ่งธรรมดาเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนเลือกที่จะเป็นทีนี้ยูทูปมันก็มาแหละ เราควรจะถ่านทอดสดเป็นคนแรก ไ, ม, ไ, ม, ไม่เชิงคนแรกคือผมเข้ามาร่วมทํางานกับประธานที่มีความคิดตรง น, นี้มาก่อน uh huh. แล้วเพื่อมีบริษัทข้างนอกเข้ามาเสนอไอเดียเหมือนกัน uh huh. แต่ว่าคําถามก็คือว่าเราเราจะรับข้อเสนอห uh huh. รือไม่ซึ่งซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ควรเพราะถ่ายทอดสดเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นสมาชิกแล้ว uh huh. นี้ท <คน S 1> ุกคนก็ดูไมแต่ผมก็มองต่างกันคือผมมองว่ามันมี uh huh. อะไรที่ได้จากที่มามาตัวตัวคนได้ถามคถาเพราะฉะนั้นคิดว่าสมาชิกไม่น่าจะลดลงยิ่งไปกว่านั้นผมมองว่าถ้าเราเผยแพร่รายการผ่าน y ยูทูบเนี่ยเสียงออกสดยูนีแคนก็ดังขึ้นิททยาากกรรี่เเชญ็จะ เนียนก็โอกาสที่จะมาก็สูงขึ้นเพราะถ้าเราเล่นวิชาการที่ดีขึ้นเราก็ได้สมาชิกเยอะขึ้นก็เลยมองเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีรายได้ผ่านสปอนเซอร์อะไรก็ว่าไปก็เลยโบสมาชนะทีนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสียงมากมายอยากจะขอหนึ่งประโยคที่ประทับใจที่สุดจากปากใครก็ได้ไม่ใช่ประโยคที่เราพูดในในใ น, ในหอแต่ผลที่ผมประทับใจมากคือแจ็คลีสันแจ็คลีสันเป็น เป็นคนเล่นเป็นจอฟฟี่ในเกมวตอตโรแล้วเขาก็พูดถึงประมาณว่าคือตอนที่เขารับคําเชิญเนี่ยความจรงิงเอเย่นเขาปฏิเสธตอนแรกคอนแทคเอเย่นไปก่อนเพราะเราไม่มีไม่มีคอนแทคของเขาเอเย่นปฏิเสธคาดว่าเป็นเพราะว่าเราไม่เราไม่ให้เงินกับกับวิทยาการที่มาเขาเขียนอ e ีเมลกลับมาตอบ CC ถึงผมแล้วก็ c ีเอเย่นบอกว่าบัลลังก์ฝากรีนงานด้วยผมไม่ได้ทดําทุกอย่างเพื่อเงินผมอยากมาพูดตรงนี้เพราะผมมีมีความคิดที่ผมอยากมามาเผยแพร่กับนักศึกษาผมขอไป แลอทผมแล้วขลเขาก็มาแล้วเขาก็พูดเรื่องที่ตลกมากคือเขาพูดเรื่องเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบเขาเรียกว่าเซเลบริตี้เคานเจอร์หรือว่าเหมือนกับว่าถ้าทำการบูชาแบบดารานักแสดงอะไรแต่ว่าพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยในหอทั้งหมดเนี่ยคือเป็นคนที่บ้าเากมนข้าวต้มาก<อ>แล้วตอนที่เขาพูดสปิชตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยดูเลยเขาไม่รู้เรื่องเลย พอเขาพูดเสร็จผมก็แบบหนักใจแล้วคือมันเป็นช่วงถามเขาไม่เคยดูหมายถึงไม่เคยดูตัวเองเลยอ้าวหรอใช่แล้วเขาไม่ไม่ไม่ไม่ได้อินกับเรื่องนี้เลยไปดีใช่ครับแล้วผมก็เลยหนักใจมากไม่รู้จะถามเขายังไงดีเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากถามเขาถามไม่ไม่อยากโดนคําถามกับพี่มาโตรนแต่ทุกคนที่มาอยู่ในหอเลยคือรอตรงนี้อยู่เข้าใจก็เลยแบบหนักใจมากตอนนั้นอ่ะนั่นก็คือจักปาก แจ็คเลเซนนะคะทีนี้พอหลังจากที่เรียนจบแล้วก็ทํางานอีก2ปีก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยใช่ไหมงาน2ปีนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรคะเออเป็นบริษัทชื่อ McKinsey ่เอ็นคอมพานีเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Management Consulting ก็คือว่าเป็นเหมือนกับบริษัทที่ปรึกษาเชิญกลยุทธ์ให้กับทั้งธุรกิจแล้วก็รัฐบาลเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าบริษัทมีธุรกิจอยู่อยากจะขยายไปต่างประเทศก็อาจจะให้แมคคินซีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ว่าควรจะไปประเทศไหนเข้าใจหรือว่ารัฐบาลอย่างโปรเจกต์หนึ่งที่ อยากให้คนใช้รถเมยมากขึ้นทำยังไงก็ให้มาวิเคราะห์ว่าเออควรจะทำยังไงให้คนใช้รถเมยมากขึ้นอืมไปทํามันนั้นอยู่2ปี 2> นะคะจึงกลับมาเมืองไทยกลับมาที่คําถามบ้านๆ บ, บ, บ้านดีกว่านะคะอืมไอ้ติมเนี่ยถ้าสมมติไอติมเป็นรสชาติไอ้ติมคิดว่าตัวเองคือรถอะไรก็ต้องน่าจะเป็นอะไรที่มันมี2รสอาจจะมินช็อกโกแลตชิพเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับงานมากก็คือว่าพอคนที่ไม่รู้จักผมส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าผมคนจริงจังมาก เวลาพูดดูจริงจังมากจริงนะคือด้วยด้ว ย, ว, ย, ว, ยวิธีการลักษณะการตอบคําถามต่างๆคือจริงจังอ่ะใช่นี่ผมก็เลยจะเจอเยอะ <c oughs> แต่ความจริงเนี่ยผมก็มีมุมแบบได้สาระเยอะเหมือนกันกับเพื่อนซึ่งจะมีแต่เพื่อนหรือว่าคนคนใกล้ชิดผมที่เห็น <c oughs> ผมก็เคยไปทําตอนนั้นทำงานเมกินซี่ตอนนั้นมาที่ออฟฟิศไทยแล้วก็เคยเคยเจอเพื่อนคนนึงซึ่งตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทแล้วแหละ <c oughs> เขาก็มายอมรับกับผมว่าเออก่อนรู้จักเนี่ยแบบคิดว่าเป็นคนอีกอย่างเลยนะก่อนรู้จักในเหตุในมุมนึงเขาบอกว่าก่อนก่อนก่อนที่รู้จัก จ, กจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเออจะมาคุยกับผมเนี่ยหูต้องอ่านข่าวสารมาก่อนอ ว่าวันนี้แบบเศรษฐกิจสเปนเป็นยังไงเออแบบมีประชามติที่ฝรั่งเศสเนี่ยหูคนคิดยังไงกันบ้างจริงจังเชิดขาวตลอดเวลาแต่จริงๆคือเป็นมินต์เป็นมินต์ช็อกโกแลตอ่ะถามว่าไอติมชอบฟังเพลงประเภทไหนผมเล่นเป็นคนที่แปลกมากเรื่องเรื่องเพลงคือสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะฟังค่อนข้างธรรมดาถ้าเพลงไทยก็บอดีม วอริเลามใช่ใช่ครับถ้าเกิดเพลงอังกฤษก็จะโค p l เพลงโคเพลก็แต่ผมป็นมแมนแหละจะ <laughs> ว่าอย่างนี้นก็ได้แต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมชอบฟังมาแปลกมากก็คือเป็นซาวด์แทร็กหนังเอ่อมีมีคนหนึ่งชื่อฮันซิเมอร์เขาจะแต่งซาวด์แทร็กให้กับหนังเช่นแบบ Dark Knight Inception เลยครับ <c oughs> มันเป็นเพลงที่มันไม่มีเนื้อร้องแล้วผมจะฟังเวลาผมทำงานมันจะเป็นเพล ง, งที่แบบว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างเราทอยู่เนี่ยมันอลังการมาก <c oughs> ใช่เหมือนกับเก ผมเขีย<ใ>นผมเขียนเอเซเนี้ยเขียนกันบ้างเนี้ยเหมือนกับผมกำลังจะกู่โลกอ่ะใหญ่มาก <c oughs> มันเป็นวิธีการดิ้วว่าลมลมให้ผมได้มีแรงทำอะไรเวลาผมง่วงเออออาทีนี้เพลงไปแล้วนะชอบฟังเพลงแนวนี้หนังสือห น, งอนังสือเล่นโปรดความจริงผมชอบคือผมชอบเศรษฐศาสตร์ได้เนี่ยผมชอบหนังสือพวกไอ Undercover Economist หรือว่าแบบ Predictably Irrational เป็นหนังสือที่เหมือนกับว่า มันกับว่าทำให้เห็นมันไม่เคยแ่บมันมันมันอธิบายมันเป็นการอธิบายเศรษฐศาสตร์ในในมุมไม่ง่ายยกตัวอย่างนึงที่ติดใจผมมากเลยเราสังเกตว่าเราเข้าร้านกาแฟเนี่ยมันจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่บางทีเขาจะชอบตั้งราคาว่าไซส์เล็ก50สไซส์กลาง95สไซส์ใหญ่1 0อยเป็นที่เกดูแปลกไหมครับว่าทำไมมันถึงกระโดดขนาดนั้ ใช่ครับตอนนี้ผมก็คนคือปฏิกิริยาแรกที่ที่ผู้บริโภคจะเห็นเนี่ยคนที่ไปซื้อจะเห็นก็คือว่าอะไรเพิ่มอีกหาบาทจากการมันใหญ่แหละ อ, อย่างนี้เราก็ซื้อใหญ่ไปเลยดีกว่าก็เลยซื้อใหญ่เพราะนั้นมันเป็นมันเป็นกลยุทธ์ครับคือเขาไม่อยากให้เราซื้อแก้วเล็กเพราะแก้วเล็กในกำลังน้อยสุดแก้วกลางเนี่ยเขารู้ว่าตั้งราคาเ5เนี่ยไม่มีวันขายออกอแต่เขาแค่วางไว้เพื่อให้คนแทนที่จะซื้อแก้วเล็กกับไปซื้อแก้วใหญ่เพราะรู้สึกว่ามันคุ้มเป็นตัวอย่างอะไรเงที่ผมโอ้โหผมอ่านแล้วผมชอบอ มันรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆนะพอฟังปุ๊บเอ้าทำไมฉันง้อจังผมก็ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมอ่านแล้วโอ้โหตาสว่างเอ่อคือสิ่งที่ฉันถูกกระทำมาโดยตลอดเลยนี่อ๋อโอเคก็คือชอบหนังสือเศรษฐศาสตร์ ใช่ครับเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาตอนนั้นอ่ ะ, อะมายถึงเรื่องนี้ดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าไอ้ทิมเนี่ยเคยไปบินแลนด์ไปดูแสงเหนือใช่ครับเราก็ชอบบอกว่าเนี่ยจริงๆถ้าไปนอร์เวย์นะเห็นแสงเหนือใหญ่มากใหญ่ถึงขั้นเหมือนแบบว่ามีแบบยานแม่มันล้อปะอก็เลยเคยไปคุยมาก็เลยอยากจะถามน้องว่าน้องเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมผมว่าผมไม่เชื่อเพราะ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันมีเราน่าจะรู้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมประหลาดใจมากกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ย ค, คือถ้าผมถามว่ามนุษย์ต่างดาวหน้าตา ย, ยัางไงเนี่ยคนจะวาดออกมาประมาณว่ารูปแบบตาโตโตัวตงโต๊ตตตตตแมวนวันผมก็อยากรู้ว่าทําไมทำไมถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเห็นตัวตนของมนุษย์ต่างดาวทำไมเราถึงต้องคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหน้าตาอย่างนั้นเพราะว่าหนังทํามาเป็นลุคนั้นหมดเลยแต่ทำไมหนังต้องทำเป็นลุคนั้นอันนี้เป็นอะไรคี่คำถามที่ผมไม่เคยยังไม่ไยังหาคําตอบไม่ได้ ทำไมไม่ไม่เป็นรูปแบบทำไมไม่เหมือนทําไมต้องเหมือนแาลางวันทําไมไม่เป็นรูปคนธรรมดาหรือว่าคือมันเป็นอะไรก็ได้เลยเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนออทําไมถึงต้องเป็นออกมาหน้าตายอย่างนั้นตาโตๆตตสีเขียวเข<อ>ียวบางทีก็มีแบบเหมือนกั บ, กบทำไ ม, <ฮะ S 1> มพี่วาดเหมือนกันหมดใช่อันนี้ผมไม่เข้าใจอ่าก็คือก็ยังมีแบบว่านิดๆเล็กๆให้ความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ครับแต่แค่แค่คิดว่าเหมือนกับเรื่องไทม์แมชชีนอะเครื่องย้อนเวลาอันนี้ผมผมคิดว่ามันไม่มีอยู่แล้ว เพราะว่าถ้ามีรรเราต้องเห็นแหละเพราะเขาต้องย้อนกลับมาเจอเราแล้ ว, ลวอืมอ่าอ่ะทีนี้เป็นคนพูดเก่งมีมุกมากมีโจ๊กขอหนึ่งโจ๊กผมเป็นคนกวนครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยมีมุกที่แบบว่าเล่าเบบาล่าใช่ๆจนอยาจะเป็นแซวมที่เศร้าที่สุดในชีวิตมที่เศร้าที่สุดในชีวิตตอนที่สตีเวนจะล้มตอนปีอสตีเวนสตีเวนจะลเป็นนักเตะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนี่ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคือเราเราเราค่อนข้างเน้นกับ ยูโ <Y> รเราเน้นระดับทวีปเราไม่ค่อยเน้นที่อังกฤษไม่เคยได้แชมําเลยไม่เคยได้ชชมป์เทเบิลเลตกเลยมีปีนั้นจะได้แล้วผมก็รีบมีนัดสุดท้ายผมก็รีบนั่งรถกลับมาจากไอเกียตอนนั้นไปซื้อตู้เอาตู้มาประกอบเองที่บ้านแล้วก็นั่งดูตอนล้มเนี่ยคือเขาก็เนี่ยล้มแล้วเสียประตูะผมเนี่ยแทบจะน้ำตาไหลนั่นคือโมเมน์ที่เสียใจที่สุดในชีวิต <laughs> ก็เสียใจมากครับเออเอาอเขาเป็นโมเมนต์ที่เสียใจโมเมนต์หนึง่งโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดในชีวิตความจริงบอล น, นี้ก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะเอาสมมุ <c oughs> ติตัดบอล <c oughs> ตัดบอลตัดบอลออกไปคนที่ตอนเข้ามาหาลัยได้ผมก็มีความสุขนะคือตอนที่รู้ผลเนี่ยพะรู้สึกว่าดีมาก เป็นคน like ดีมากโมเมนต์ที่มีความสุขสุดคือตอนเข้ามหาลัยได้เพราะมันมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าเราอยากไปเรียนที่เนี่ยเราได้ยินมาเยอะจากุ่นพี่ว่ามันมันได้มันเปิดโลกมันมันได้ความรู้เยอะอ ม, มีกิจกรรมได้ได้ทำเยอะแล้วเราก็ตั้งใจมาก อ, อยากจะไปที่นี่ประสบความสําเร็จนะเนาะในฐา น, นะเพราะตอนนี้ไอ้ตมก็อายุยี่สิบหกเอยี่สิบห้าครับใช่ยี่บห้าดังนั้นคือ พลิกอะไรในชีวิตสักอย่างเข้าใจแต่ตอ น, อนได้ทุนไปตอนได้ทุนกิดตอนแรกผมไม่มีความสุขเย ต, ต, ตอนที่รู้ผมตอนแรกว่าได้ทุนเพราะผมมีเพื่อนลราที่เมืองไทยแล้วพอได้ปุ๊บผมก็อ้าวต้องเปลี่นโรงเรียนเหรอแปลว่าอย่างนี้ทำไงดีนั่นก็เป็นอีกโมเมนต์แซดเป็นแซดโมเมนต์อีกอันหนึ่งอ้าเมื่อกี้เรามีแซดโมเมนต์แล้วตอนจอระดัล้มเอ่อแฮปปี้โมเมนต์ก็คือตอนที่เข้ามาหารายได้ได้งาน most romantic moment อันนี้น่าต้องถามอีกฝ่ายอ้าวฝ่ายนั้นอยู่ไหนล่ะก็ไม่อยู่แล้วครับถึงถึงถึงถึงอาจจะหามายากนิดนึงฉันสร้างบมาว่าเพราะฉันดูมาทําการบ้านแชร์แชรไปดูแชรมาเขาบอกว่ามีแฟนแล้วสามคนครับแล้วคนที่เราโรแมนติกด้วยที่สุดคือคนที่เท่าไหร่โอ้ยผมก็ต้องคือเขาเปิดใครผมก็จริงจังจริงจังเสมอมันก็คือตัวตนผมก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยไม่รักษาภาพไว้ตีมั่นใจแต่เขาโอเคโอเคก็ยอมรับว่าอันนี้ผมภูมิใจอ่า ของขวัญผมเป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยซื้อแบบของแบรนด์เนมเป็นของขวัญให้ให้แฟนเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรไม่ไม่เคยครับไม่เคยแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันท้าทายมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องทําเองผมจะแพยายาของขวัญเองทําอะไรทําอะไรคะตอนนั้นไม่รู้ช่วงไหนช่วงนั้นผมผมอาจจะว่างครับตอนอยู่ที่อักษรตอนนั้นมีแฟนที่มาเลยก็เลยทําป็นแบบเหมือนกับ crossword แต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนกับคําตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีมา2อสามปีที่ผ่านมา แล้วก็ต้อ ง, งใส่พิศาจใส้ปิศาเพื่อไปสถานที่ต่างๆในเมืองออกซฟอร์ดคือต้องไปตามที่เหล่านั้นก<ช>็จะไปไขปิศาจแล้วก็มาจบที่ร้านอาหารต่างมากนี่คืออันนี้คุ้มใจหรือไม่รู้จะทำได้อีกรอบยังไหมแต่ ว, ว่านอนนั้นไม่รู้ทําไมเห<อ>มือนกันไม่รู้อะไรมาท่อสิ่งอ่ะก็ะะะะถือถือว่าโรแมนติกนะน่ารักอ่ะมาถึงทําคมหรือว่าคติประจำใจที่เรายึดล่ะ คือผมนคนมอยอินกับจะเห็นเพื่อนชอบแชร์แบบโค้ดนแบบสร้างไรมันนัใจ<ช>เผมจะไม่ค่อยอินอะไรเป็นคนไม่ค่อยอินกับ ค, คพูดไ ง, งั้นถ้าไม่อินถามว่ามีใครเป็นไอดอลไมไม่มีเป็นพิเศษแต่ว่า ก, าก็ก็นับถือพี่ชายพี่ชายเนี่ยโตผมสองปีแล้วค่อนข้างสนิกันพอสมควรคือผมกับพี่ชายมีนสองคนเอ่อก็เลยตอนเด็กๆก็เลยสนิทกันแล้วพี่ชายเนี่ยเหมือนกับแบบอยู่ข้างหน้าผมสองปีอ่ะเหมือนกับว่าผมเห็นทุกครั้งที่เาที่ผมทาอะไรเนี่ยคือพี่ผมทำมาสองปีที่แล้วใช่ก็ ใช่อะตอนนั้นเข้าเข้าโรงเรียนเขาก็เข้าโรงเรียนที่เป็นคู่แข่งกับอิตาลอเข้ามาหาลัยเขาก็ไปเคมบริดจ์ซึ่งเป็นคู่แข่งกับออกซ์ฟอร์ดจบมาแล้วเขาก็ไปทำคอนซัลทิ้งเป็นคู่แข่งกับแมคินซี่ไม่มีบราเธอร์ไรโบหรือเปล่าผมเลยกาลังคิดว่าเขากำลังจะไปสำหรับเพื่อหรือเปลือหรือเปล่ า, ลาต้องติดตามอ่ะทีนี้เราเข้าสู่เกมดีกว่านะคะหนูหลุกสิบคาถามกับไอติม <Okay. S 2> โดยที่ถามปุ๊บตั้งตอบเลยนะคะสิบคาถามถ้าพร้อมแล้วเริ่ม หมาหรือแมวโค้กหรือกาแฟโค้กแน่นอนนะขึ้นเขาหรือลงห้วยขึ้นเขาความรู้หรือจินตนาการความรู้ปั่นจักรยานหรือวิ่งหรือไปเป็นอาหารมาก็น่าจะต้องวิ่งพัดลมหรือแอร์ความจริงผมชอบพัดลมนะผมสบายมากเลยกับการที่นอนพัดลมเนี่ยไข่เจียวหรือไข่ดาวไข่ดาวสวยหรือตลกเพื่ออะไรตอบค่ะห้าผิดค่ะสวยก็ได้สวยปาร์ตี้หรืออยู่บ้านเออปาร์ตี้ครับเพลงแจ๊สหรือฮิปฮอปแจ๊ส อ่าโอเคสิบคำถามได้มาแล้วนะคะคำตอบอ๋อที่ต้องอธิบายใช่ไหมผมก็เออแทบเร็วยไม่ให้อธิบายไปให้อธิบายเกมของเราก็คือว่าเราจะเอาคําตอบทั้งหมดเนี่ยเราให้ใช้จินตนาการในการพูดเป็นเรื่องโอ้แล้วผมเพิ่งตอบไปว่าผมชอบความรู้มากกว่าจินตนาการใช่แต่จะให้ใช้จินตนาการครับโอ้โหต้องเล่าเรื่องฮะ ความจริงกันนี้ก็อาจจะอันนี้คือความจริงอธิบายชีวิตทหารผมได้เลยนะสิบประทีปที่ผ่านมาที่ผมไม่ไม่ได้ชื่อสารกับใครเนี่ยครับตื่นมาก็แน่นอนมีพัดลมเป่าหัวตื่นมาปุ๊บต้องวิ่งเลยวิ่งนี่คิดถึง2อย่างคือโคกับไข่ดาวเพราะว่าธรรมดาจะกินตอนเช้าที่บ้านวิ่งขึ้นเขาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นประจํากิจวัตรประจำวันส่วนมากจะเจอหมาเขาบอกว่ามีหมามีหมาที่ค่ายทหารตัวหนึ่งชื่อชื่อชื่อแดงบอกว่าเป็นหมาทานบกผัดห่งปีห้าแป คืออยู่มาตั้งแต่พันหนึ่งปีห้าปดนนั่ประจำการมานานครับแล้วก็เออสวยเริ่มยากแหละตั้งคําถามตลอดว่าได้ความรู้อะไรจากการมาเป็นฐานเกณฑ์จะมาเลื้อยสาวมันเนี่ยเออจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นอะไรสวยๆเท่าไหร่เพราะมีแต่ผู้ชายแตอนนอนก็ต้องตอนนอนก็ต้องนอนเร็วไม่เคยได้ปาร์ตี้ไม่เคยได้ฟังแจ๊กอัพอ่ะสิบนี่ก็ไดก็ได จินตนาการของไอติมนะคะทายที่สุดถามดีกว่าว่างานอดิเรกคือผมตอบมันจะเบื่อมากเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ผมชอบดูบอล <c oughs> ชอบเตะบอลชอบเล่นเกมบอลผู้ชายทั่วมากดูบอล <c oughs> ทําไมไม่ต่างทําไมไม่ทําอย่างอื่นบ้างแล้วเวลาที่เราเครียดรู้แบบวันนี้เครียดในงาน <c oughs> ดูบอล <c oughs> ดูบอล <c oughs> คือผมความจริงบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นมันมีสนเสน่ห์ของมันมากเลย <c oughs> ผมเคยเห็นโปสเตอร์หนึ่ง ที่ประเทศอังกฤษซึ่งผมว่ามั น, มนตอบโจทย์ได้มากเลยเป็นรูปของเด็กคนนึงที่หัวหลานก็คือเป็นลูคเมิเนะครับแล้วนั่งอยู่ที่สนามบอแลแต่เขาก็เขียนว่าเนี่ยใน90นาทีนั้นนะเป็น90นาทีเดียวที่เด็กคนนีล้ลืมเรื่องลืมว่าเขาเป็นลูคเมียอะคือคนที่ชอบบอลมากเนี่การที่ดูบอลเนี่ยมันเหมือนกับเราหลุดไปเลยหลุดไปในโลกนะเราซึมทับอยู่แค่ตรงนั้นเราเครียดเรามีความสุขเราเสียใจก็อยู่แค่ตรงนั้น ผมก็เลยเนี่ยใช้บอลเป็นเมนเป็นยาออเป็นทั้งงานอดิรเรกและยาอาพูดถึงก็ง<ๆ>่ายดีนะเอาจริงๆคือถ้าเป็นผู้หญิงเราแล้วก็ไปช็อปปิง้งไปทำอะไรที่มันต้องเสียตังค์อ <c oughs> ่ะนั่งทุกวันอยู่บ้านอะ่ะประหยัดมากเฮ้ยวนันนี้เรารู้สึกว่าเราได้ถามคำถามที่แบบคือเราไปดูรายการอื่นมาก็ถามอะไรเราก็พยายามไม่ถาม แต่ว่ามีคําถามจากทางบ้านที่เขาฝากมานะคะแล้วเราก็<ด>จะถาม <c oughs> อันที่เราเพอยังจะถามได้เพราะว่าเราก็บอกทุกคนแล้วแหละว่าเราจะไม่คุยกันเมืองกับ น, น้องนะ <c oughs> เอาคนที่พอถามได้แล้วการว่าคนที่รักนะคะคนที่รักบอกว่าชอบอะไรมากที่สุดในเมืองไทยอาหารอาหารแล้วไปเที่ยวมาพวกประเทศหรื อ, อยังเออยังไม่ไปทั่วประเทศครับ ก็ความจริงการทำรายการเห็นกับตาเนี่ยสารคดีที่ผมทำอยู่เนี่ยช่องพี t v ทช่องใช่ครับก็มันจะติดตามอาชีพต่างๆซึ่งก็บางทีก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ไปได้ไปจังหวัดต่างๆเหมือนกันชอบจังหวัดไหนที่สุดตั้งแต่ไปมาทั่วประเทศขอนแกน<อ>่นรผมเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่เคยไปขอนแกน่นแต่กระทั่งเมื่อปีที่แล้วไปถึงเนี่ยประทับใจมากคือน่าอยู่มากแล้วผมประทับใจที่สุดคือระบบรถเม์ ซึงรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยคนเป็นคนเริ่มต้นมันจะมีแอปที่สามารถดูได้เลยว่ารถเมล์ที่เราจะขึ้นนอยู่ไหนแบบแบบแบบสดนะครับคลิกไปเนี่ยเขียนได้เลยว่าทะเบียนเท่าไหร่ขับรถอยู่ความเร็วเท่าไหร่และชื่อคนขับคือใครใช่ผมผมเห็นแล้วผมแบบประทับใจมากเออนั่นก็คือที่ในประเทศไทยนะคะขอบคุณคําถามจากคุณที่รักด้วยนะคะวางแผนอนาคตตัวเองอย่างไรคะก็เดี๋ยวมันเสารก็ต้องกลับไปครับ อนาคตผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ในมือผมเไรระยะสั้นเนาะอนาคตระยะสั้นก็เป็นอาหารก่อนครับก็หวังว่าไม่ต้องไปเลี้ยงไก่นะครับก็หวังได้วังว่าได้ทาอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชาติจริงๆก็กลับไปวันเสาร์ฝากผลงานได้เลยค่ะฝากคนมาหน่อยรกันอ่ารายการอ๋อก็มีรายการทีวีที่ที่ทาอยู่นะครับก็ยังต่อเนื่องอยู่ทุกคืนวันศุกร์ทางช่อง p ี t v สี่ทุ่มครึ่งเป็นน้นไปชื่อรายการเห็นกับตาแต่ละตอนก็จะติดตามอาชีพแต่ลอาชีพแล้วก็ดึงประเด็นสังคมที่น่าสนใจออกมา สทุ่มครึ่งทาง t v วีพีวีพีคืนวันคืนวันศุกร์วันศุกร์ใช่ครับโอเคค่ะอุ้ยวันนี้ดีใจมากเลยได้คุยกับไอติมนะคะรู้สึกว่าเห็นมุมอื่นอื่นแต่ว่าเอาจริงๆนะจริงๆคิดว่าไอติมก็มีความแบบขี้เล่นอนะไรต่างๆะแต่ด้วยความเป็นคนที่แบบว่า พูดจางไงน้ำส่งน้ำเสียงไงก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงจางแต่ว่าเขาก็มีความขี้เล่นช <laughs> ้บแต่บอลอะไรต่างๆมันแมนแหละเฟี <laughs> feel ้ยวอ่ะแหละเฟี้ยวประโยคคำพูดนี้ได้ยินแบบเกือบทุกวันในค่ายทหารเนี่ย <Feel. S 1> ผมไม่เคยพูดมาก่อนในชีวิตผมแต่ว่าหลังจากไปอยู่ทหารมาเนี่ยคืออะไรที่ดีเฟี้ยวหมดอะ่ะ เออูอยากไข่เจียวยเฟียวมากเลยได้กินไข่เจียวอ่ากลับไปเที่ยวนี้ก็แบบไข่เจียวต่งมากแล้วเพื่อนเพื่อนรุสาวก็จะเฮ้อยอะไรต่างลองดูนะคะวันนี้ขอบคุณในติ๊กมากนะคะขอบคุณมากค่ะ